เป็นการพษาถ้านมันยู่ยีไหนอการนมนรู้สึกจะเบาบางไปภาไในพรรษาเขาคิดว่าพระเจ้าพระสงฆ์หน้านพรษาปฏิบัติคนที่จมเกี่ยวข้องโยงเยงในงานมีมวรู้สึกแบม่มนนอกพรรษา โอกาสเวลาที่คนในรถเกรียนโห้องขเราที่เป็นตาที่สิตตาไม่เนนเป็นนักเบื่อคือตั้งจิตตั้งใจจะพิจารณาปฏิบัติให้รู้ใหเป็นให้เห็นปฏิเสธธรรมภายในตัวพระธรนั้น หาเราไม่เห like ็นยังไงโดยยิ้มโดยฟังในเส้นสิทธิ์ับสิทธิ์กับใจของเราแล้วความเชื่อมั่นเราจะมีเชื่อตัวเส้นในถึงจิตถึงใจเราไปเห็นได้พวกนักศึกษาเรียนนมาเหนจบถ้าไปที่ดอก เด็กปะโาแต่เขาเหล่านั้นจะยังมีการติกหาลาโทษออกไปว่าจิตใจ้าีเห็นอาจเหนธรรมการที่จะเห็นอาจเลนธรรมภายในตัวก็อาศัยการปฏิบัติลงมือกระทึกปฏิบัติมีสติควบคุมรักษาจิตใจของตัว ตลอดเวลาเร้่แต่หลับยายางประพัฒประคองจิตใจให้อยู่ในเรืงของสมฐานในเวื่องของอัตถธรรมเกี่ยวใจจะได้สัมผัสกับความสงบสัมผัสกับปัญญาสมาธิสิ่งมันมีอยู่ภายในเดียวกันทุกคน เรายังเข้าไม่ถึงความเยือกเยน็นความเมป็นไปทั้งใจอะไรหมเ่เกขึ้นเพราะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ียกเราท่านเชื่อเลื่อนใสในเหลื่องของศาสนาเพราะถ้าประพฤตปฏิบัติดูเห็นเป็นสิ้น ภายในเต็มความสุขความสบายของจิตที่ขาดจากอารมณ์สัญญาโดยเกี่ยวข้องกับอะไรภายนอกมันมีความสุขความสบายอย่างไรเราเข้าใจในเตัวของเราเองนอกนั้นสัญญาที่จะพิจารณาภายนอกเรื่องต่างๆที่จิตใจเคย สร่างจิตหมดจิตวาจมุดเพลเพนอย่างนั้นอย่างนี้มันจ ะ, จะเกิดเกิดขึ้นเพราะคนเราทุกคนเกิดมาจะอยองเสียอยอมตายเดือดเทอนหน้าโอกาสเวลาที่จะไปคิดปฏิบัตรอาจทำให้รู้เห็นดีเด่น ไม่มีเพศใดจะกระเ้เสดวิเศษกระบดือกง่ายเหมือนนักบื่อนักเบื่อนิยมกาลเวลาที่จะทําจิตทำใจสสัยให้สงบสงัดปฏิบัติเป็นให้ถึงอัดถึงทำได้กระเดือกสบายจากเทศของขเลา้าหากนักเบื่อจะพิจารณาปฏิบัติไม่เป็นไปจิตใจ ปิ้นปิ้นสายแสรักษาตัวในได้อย่าหวังเลยการเป็นรคล้วว่าจะมีโอกาสเวลามีสติปัญญาเข้าถึงอัถิงทําได้เพราะการเบื่อในมือเรื่องยุ่นเกี่ยวภายนอกให้เราได้ปิ้งปิ้งมากมาย การงานด้านของนักเบื่อเกี่ยวการงานอะไรหนักหนานอกจากคอยวัดคอยอางอย่างเล็กน้อยโอกาสเวลาถึงมีมากถึงจะรักษาสติรักษาจิตใจของตัวเปลี่ยนคลราว่าโอกาสเวลาถึงจะมีเหมือนกัน วันคืนเถ่ากันก่อต่างแต่ทำเต็มใทั้งสารวัตเก็มใจเดยยากักเกี่ยวเกี่ยงซึ้งไมด้เจียวข้องทักตื่นใจใหนตศรษฐีดูจิดใจหลายไปสู่เรื่องโลกเรื่องนอกความดึงเยิ้มเวียนวายต่างๆเหนื่อยยังไห เกิดขึ้นตัวใจว่าจริงๆเราคิดเราทำเหล่านั้นเนทางที่ดีที่ดีนิวามหลงหลงของใจเพื่อไปเป็นเส้นนั้นเสด็จเพลนเมือเมาเก่าขำตามอารมณ์สัญญาต่างๆนานาวามคิดของใจเป็นเลื่ยง ทำใจให้เด okay. ือดร้อนทใจห้มวบองเองไม่ใช่เรื่องอันอื่นมาทาให้ทีเป็นสาระทหารไม่มีครอบครัวหยุดใจต่เพลิดเพลินในเรื่องของครอบครัวอยากจะได้โดเซนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพลิดเพิมัวเมาโสสาร ไป ต, ตามรูเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพาจิตใจเราได้ปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นเพือนรครอบครัวห้อีกแหลดึงเกี่ยวกับการงานต่างๆเพื่อจะสร้างครอบครัวของตัวให้มีอยากมีกินระดวกสบาย เมืม่อมีทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จควรเราวะจีจะจะพิบัริได้แต่เกี่ยวกับปัญหามันมก็ไม่ยอมพักถอนมีอตวอยากพืดหน้าเรื่อยไปเมื่อได้มาไปดื่นในการรักษาในการรับผิดชอบต่างๆฉันั้น การเป็นพลายว่าเป็นเป็นเรื่องดื้อตลอดเวลาไม่มีเอตกะคือจะพักผ่อนด่านจิตใจไม่มีสติมีปัญญาคือจะตางแกาไข่เรื่องกิเลสกัญหาต่างๆคือการเป็นนักเบื่ได้ ตอนเป็นนักเดือดที่เป็นโชคลาภอันใหญ่ที่จะเป็นเพื่อกายประเพศเจใจในสะดวกส บ, บายเพียงขั้ น, นรักษาศีลห้าทาร่าจะยาลำบากในเสด็จง่ายเพราะเหลี่ยงศีลถูกคนถ่วไปในโลกเพรไรักษา เรารักษาแต่จ ะ, จะต้องชัดข้องก็แค่เกี่ยวขวัญถึงหรือเกี่วเที่ยของตัวเกมันมันบึ้งเึ้ยังรักษาศีลภายนอกแต่ยังยากยังลำบากแต่มารักษาด้านจิตใจต่อไปสั้นใหญ่ความจริงถ้าห า, าเราไม่เหลงเรื่องจิตของเราเองความเป็นเดู ของสมณะของนักบวชเป็นความเป็นอยู่ที่ประเสริฐสุดทุกสิ่งทุกอย่างโถสมุทถนอมบำเรียเนจจัให้อดตายหากนักเดียดหรือนักประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติเป็นอัตเป็นธรรมจริงจังแล้วยินดีเลื่อนไส เต็นใจที่จะทะนะกันหอมไม่ว่าที่ยูที่อาใส่หาหนืมผางเหมหรือหันกรรมบริโภคหาสจิตใจเราหยวเย็นอย่างเดียวสืนต่างต่างเหล่านั้นใครเต็นพอไปไม้มีอะไรที่จะ ลำบากขาดแคนแตจิตใจของนักเบียดที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะความลิ่มเหลืองของใจความอยากใหญ่ใจฝันต่อไปเรื่องนอกใครจะว่ามันจะให้สุขให้สนุกสบายอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นความคิดเป่งของใจพอออกไปตามเลี่ยงของมัน เราก็เคยเห็นผู้คนในโลกเขามีลาบมือยกมือลันรเสนมือสุกแต่เขาเหล่านั้นมันไม่มีมือคอสงใจวายดย็บที่ได้มาไม่พอต่อคิเวตกตัหาได้มาเท่าไรก็ยุ่งอยากได้มากไเท่านั้น สามสเฉลียเลิมเขาเกิดเฉลี่ยเลได้การนินทาเขาก็นินทาได้เรื่องเหลา่านี้ถ้าคุณอยู่ในฝาเขนนะมีปัญญาคอยติดจใจพิจารณาเห็นรู้เห็นเด่นในใจก็จะท้ามได้ว่าการเฉลี่ยเลมด้นินทามันมีมาแต่ไหนแต่ไร เขงลายเสมให้เหลนินทาไปมันกาอาศัยตกับเตลเ อ, อที่ดีชั่วไม่ใช่เขานทาเหลือาสลเสกพราะเรื่งงองอันอื่นรายดีในากนนะทาศนาถ้าคจอมา ให้เผยใจเหร อ, อการสังเวมเงินคาเป็นเรื่องทั้งโลกเป็นโลกแต่ธรรมคนเกิดมาทุกคนจะต้องดอได้รับสังเสยเงินคาถึงจะชื่อช้าเสียหายขนาดไหนแต่คนที่เชื่อช้าเหมือนกันเขาก็ยังรัเสังเนยจะดีวิเศษขนาดไหนคนที่ เชื่อสูญเสียมาเห็นเดี่ยวเ่ก็นิทาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเรื่องเราจิตใจของเราติดข้องเหมือน้องหรือไม่เมื่อเบาท่นเเส้ไให้เท่าก็นิทาไปจิตใจหลั่นใยเอียงไปตามเรื่องของเขาหรือไม่นับปฏิบัติสื่อมีกานยาจะต้องผู้เจริญม สอนใจทั้งตัวเนื่อมันยังเหวในการสันแาะเสิมมันเสียใจในการเนนทาแต่ถือว่าใจของเรายังติด ข, ข้องกับเสียงกับโลกความเพียรเรื่องเหล่านั้นเพื่ขึ้นมันต่อต่อไปหากหิุใจหน่อไปเกาะเกี่ยว เสียงทั่วไปในโลอกอยากเกิดขึ้นแบบในดับเราก็อยู่ไม่ได้แก้วหูแตกรุ้ยทั่วไปในโลกเกิดขึ้นในดัแบบเราก็หนีที่อยู่เพราะมันจะแน่นกันหมดหทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องมีการแลวเปลี่ยนแลวแตกสลายเสมอกันทั้งจิตใจทั้ง แต่เราทำแต่ทำนอนเดียวกันการคิดเปลี่ยนการคิดไม่หยุดไม่สวยไม่ก่อไม่วางเพื่อนนั้นก็จะไม่เป็นอันอยู่อันกินอันหลับอันนอนเพราะความคิดไม่มีเวลาพักผ่อนทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้ น, ใ น, ในี่คือเรื่องที่จะสานตัวที่จะ น, นาตัวโดยความรลื่มเหลว โลกเทิมมว่าโลกมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นเราเคยเห็นโลกของเขานากาวไดดูชาพระเจ้าพระสงฆ์ถึมีอัตเนตธรรม่ว่าแต่คนธรรมดาขร า, าชากว่าอย่างสาวบ้านเพราะเหตุใดเพราะด้านจิตใจทองท่านที่ต่อพิปฏิบัติอัตธรรมถ้ามีความเยียดเยินถึงเมื่อ ฉลาดสามารถในด่างโลกแต่ท่านก็รับหาปาวาจาใจทั้งท่านไทสงบทนสบายอะไรไม่มีเหมือนโลกเขาแต่ท่านจะมีอัตโนมัติคือมีสติปัญญารักษาตัวทั้งท่านท่านไม่หวันไหท่านไม่เดือดร้อนยินวาย หนึ่งทางที่เราจะสอนเรี้ยของเราที่เจรณาเตี้ยของเราหากมีปัญญาเรื่องของโลกไม่เป็นปัญหาหากเป็นปัญญาของธรรมสามารถแก้ไขใจของเตี้ยให้เบาให้สบายให้ใสให้รางได้ถ้าปัญญาของโลกไม่มีทางที่จะแก้ไขเพราะเหตุใดเพราะปัญญา ด่างของโลกขาดวมาี่ความหนักแน่นขาดความเป็นธรรมภายในตัวเห็นชฉื่อยระยะแล้วก็หายไปดับไปไม่เห็นตลอดเวลาสิ่งที่เต็มเบียรหน่ายเบียร์หน่ายเต็มระยะกลับชอบติดติดเต็มอีกหนื่น 10, 10เป็ น, นเหืองของโลก ปัญญาขั้นเล็กีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีการล้อให้หัวเราะทัวว่วไปสิ่งเสียเรารักเราชอบใจก็ไม่ใช่ว่ามันจะรักจะชอบใจเสมอไปเวลามันไม่ชอบใจมันจะเกิดขึ้นเรื่องทังโลกเป็นเรื่องดิ่งเย็นเป็นเรื่องหิ่น ห, นหวาน ในใจเรื่องความสุขความสบายถ้ามีปัญญาพิจารณากันจริงจังไม่จะเลี่ยิ้นเลี่ยยิ้นคือเป็นเหมือเป็นสาวอยากมีครอบครัวเตยยิ้มยิแทนที่จะได้นอนเต็มหูเต็มตาไปชอบเกี่ยวแสงหาจนรักจนชอบเจตัวเมื่อได้กันมา ก็่อีกแหละยิ่งเหวีงในครอบครัวจะหลับจะนอนจะดูกสบายอย่างสมาณนะไม่ได้มือลูกมาไปลูกอีกแหละจะเป็นดรืยงรบกวนการหลับการนอนการอยู่การการินทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ยิ่งไห้ลำ บ, บาก เราบางท่านบางคนเรบียดเป็นพระหรืออยู่ตัวเปล่าไม่มีผูคกองแกเท่ามาจะมีใครรักษาดูแลไม่เป็นแม่แม่เพให้เรามีคุณความดีคือไจา์คือท่านเบียดนานานมีอัดมีทำประจําตัวขมาอมือรื้มือหลานมีเสือมีเนีย แต่ใจมือที่ไปดูแลรักษาเตรียมจิตเตรียมใจทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปฏิบัติกับท่านมีอำนาจคุณนักธรรมอำนาจของใจที่จะพูดปฏิบัติฐานาดเดินดุจผ<ม>ู้ค น, นไปชาวเซนเลื่อไปให้เลื่อมใส หากเรามีคุณธรราอะไรแล้วก็ลำบากจ ะ, ล ะ, ละกอยู่เป็นภาระหากมันมีเส้นบัตมหรือมีเส้นบัตรต่อตามมันมีคนณธรรมเขาก็ไม่เหลี่ยมไหลืกเต่าเลี้ยงหลานถึงเหลี่ยงเข้ามาเขาก็อาศัยเส้นบัตก็แบ่งเส้นบัตรให้นั่นมาดูแลรักษาพ่อแม่ย่อยขึ้นจนับไม่ได้ บางทีมันไปทำเสียหายมาขพราะจะคอยจะกแนื่อยได้เกิดอาข่าทะยบข่าตีเ็นมีเรื่องขงเดี่ยงมันมีหยู่อย่างเดี่องทั้งโลกเราอย่าไปคิดไปเปลงหน่ห น, ห, นหนักจิดหนักใจพยายามแก้ไขตัวองเตลเองไม่มีใครที่จะเชื่อ เราได้แต่แต่มีพ่อมีแม่นี่ลูมีเนมีเสียนาขนาดไหนเขาเป็นห่้้ายหน้าที่จะกําจับขับไล่ควมแก่พวกเราให้หนีไปได้เก็บแต่เหมือนกันเก็บแทนกันเลยได้ตายแต่เหมือนกันเรามาอย่างไรเราจะไปอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปได เขาแต่เมือนกันกับเราเราแต่เหมื อ, น, อกนกันกับเขาทำไมจึงไปยุ่งไปเกี่ยวไปลืมไปหลปหงหาทางที่เจอมาสอนจิตสอนใจท่งองตัวอยู่ในวัดในวาเป็นชาเต็เจ้าเออดอยากลำบากงำคางอะไรพอเป็นพอไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรือถ้าหากเราจะที่เจอมาหาความสูกความสบาย พอหาค่ามสความสบายได้แต่จะไปตามเหตุกิเลสกันหาไม่มีเวลาพอพบทำไม่จะยิ่งดีเดียไปหาอุบายแสวงใจที่จะมาทเหาด้เห็นธรรมขอใจธรรมได้สัมผัทธรรมเราจะไม่มีการล่มหลวงเกิดเพินไปในเรี่ย ให้เเพราะมีอะไรอยากจะมาใหทุกทุกเป็นเงาตามเตี๋ยวเงาหายขึ้ใจไปยึดไปถือไปเสียวดไปชอบมันเป็นอย่างนั้นแตนน่ไหนแต่อะไรมาแต่คนทั่วไปหรือพี่เจนาเลยคิดล่ะมีอย่างนั้นมีอย่างนี้นจะดีก มีสบายถือกันในเรียนในเรียนผลมุดโลกแต่จิตใจถืตทร้คืองสิมีสุขมีสบายส่องอาศัยจิตใจสิมนเสะสยสาวในเปลี่ยนข้องยึดถืออะไรเป็น อ, อิสระเฉพาะตัวนี่คือจิตใจที่ดีถีนัสตา หลังเราเร็นผู้ประพฤิปฏิบัติแบบนั้นจะเห็นสุขเสียอื่นที่มประพฤตปฏิบัติแต่ไม่มีรำห็นบันเต็มอย่างนั้นเส่ยงเราท่้งมีโอกาสถืมาประพืติปฏิบัติยิงเสียงตึกหักเอเวอร์เรนเสื่อื่นอย่าไเจกวจิตลอยตามเงนเรื่อยไป จะนีการพบเห็นอัดทสี่พระพุทธเจ้าผู้พระพุทธเจ้าเห็นทานคึกควนเข้ใจสอนตมฝึกเข้อเวนบอดเอาสติกำหนดบวชทำสี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างที่จะเรามากายเวทนาปิดธรรมไม่ ใส่ออกไปเรื่องอื่นถึงออกไปเพียงนอกสิ่งชิกายก็เคยรู้รู้เพื่อสิ่นพื้นหยาเหมือนกันหมดในสิ่นใดเสื่อนใดคือเะจุดแตกแตกต่างกันเดือดที่เจอมาไม่เห็นว่ารู้มีการเกิดขึ้นแตกเปลี่ยนและแตกสลายต่างกันช้าหรือเร็ กัรเนั้นเมื Matter, ่อหายใจใมล่กภายในหายใจในลูกภายนอกแต่เมอกันอย่างนั้นเรียนรู้เพื่อไปมันก็หายเพ่งไสหายดเยนาหายมาหายทพ่งไสก็กาหนดหายใจมันรีดมันห็นแบบยนาายเบบคล้ายทอะไรไม่มีทางผิดแตมันกำหนดยินดีไป พยายามถลกหนังออกไปหรือพยายามเอาทางในออกมาทางนอกตัดไปใส่พื้นต่างๆก็ดูเอาหนังที่ไรเหลวมุกยัดตัวไปทางในเหล็กกนทุกคนเหนียกลัดทางในออกมาางนอกเอาทางนอกตัวไปทางในจะเป็นอย่างไรชอบพืไหนยินดีพื่ไหน จิตจิตไปงสัยว่ามันเสีอแรงงานน่ะรักใินดีหาวิธีทางสองตัวพิเรนาให้แยกภยเรื่อของกายพิเรนะใหยแยลาัยจะมีเงินเหลืองเรื่อง่องกายเป็นปัญหาสาคัญคป็นจิตจิตอยู่ในศาสนาเป็นพระเป็นเนมเมดายเพ่อเลี้งเหล่องของกาย แต่พิจารณาเลื่องร่งกายแยกคาดเลี่นเปนปิดเร่เห็นระวางเดี่องร่างกายไะมีใครที่จะเล้ยงไหลสืดหาราพลออกไปยินดีเพื่อเธอเรื่องราบปัญหาต่างๆผ่นพิมหน้าพิจารณาเด่งต้นคือพิจารณากายแตพิจารณาเห็นเกณฑ์ลดฟังจะได้๋ยพิจารณาไป ตัวกตัวทูอย่พิจาณาในทางจัมมะิตใจในทางแกะไถความสิดข้องอย่าไปพิจารณาส่งมว่ะอันนั้นสวยอันนู้นงานอย่างนั้นอย่างนี้พิจรณาตามความเป็นพริงขงมันก่องกายนี้ก็คือก่องมือก่องคู ของปฏิปีนหรือสีเหงือใดภายในมือเจมันเลือดนั่นหนอไหลออกมาจากเทวานต่างๆมือเจ็บของปฏิปีนทั้งนั้นและเจ็บติดอยู่เพื่อระยะเวลาน้นยามาหามารักษาคือการบันบัดต่างๆหน่อมากิด หาข้าหาไปมาผีมาเหมเพืจะแก้เขผีใหญ่ให้มันบันเทาไม่เบือห ม, อ ม, อมอากขึ้นหรือมากรหาข่าวตาหามารับทางมากดขันมาอย่างนั้ น, น, นมันตกเอวมากกรหายนากระหาน้ำมาดื่มเราเป็นภาวะรักษาดูแลเรืองวก กายอยู่ตลอดเวลากายจมเป็นก้อนทุกอันหนึ่งสิ่งเสลื่อนแต่ทนี why. Why ้ริงๆนาควรกำหนดถตามเป็นจริงเท่ามันอย่าไปลื่นไปเลี้ยวอย่มันเสืออย่างนั้นนำงานอย่างนี้มันติกมันดูมันวยเศษถ้าจิดเห็นอย่างนั้นจิตเป็นวิเดษนำความใส่หนง้อมาให้แก่ตัว เราเห็นตามเป็นจริงพยายามกำหดนดให้จิตรีเห็นใน้จิตเยียกเยิในให้จิละทรอนความยึดถือต่างๆในทางปฏิบัติของนักปฏิบัติหากทุกคนพยายามฝึกเข้บเอืนอโยนแม่สอนเตี้ยพุเตนาอย่างนั้นใจถือเคย พอมอนจากความสงบร่างนับเพราะมันถูกกับปรับอัดรมเหมือนกันกับเวทผิดๆอย่างหน้าวันจะสงบร่างนับเพียงไปเห็นจิว่าหายขาดมีการที่เจนาธรรมะซ้อมใจกับพันนอเดียวกันโอกาสเวลานาทีนของ เปือกไหลไม่มีเร่องอื่นที่จะยื่งเกี่ยวนีเร่องเดียวกันต่ประเภทปฏิบัติเท่านั้นจึงเป็นโชคอันสาคัญของเปักเบื่อที่จะต้องพิมพ์ใจในการที่จะเป็นนักเบื่อเป็นโชคดีที่มีธรรมะของพระพุทธเจ้า ยังเหลียวดูเป็นปรฏิสัมพันธ์ให้สิทที่มีดแบของเราสว่างสวยได้เหยียบยาวขใจบังคับใจของตัวเจณารีทนาเสมือนกันเวทนามันเกิดขึ้นโดยเปล่าปลือแต่สลางตามธรรมชาติของมัน เป็นอยอย่างนั้นเวลาเวทนาฝ่ายทุกหรือเวทนาฝ่ายศึกหรือเยเฉยมันผิดมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกระยะทุกเวลาเราเกิดขึ้นมาเคยประสบพบเห็นทุกภาขนาหนักประสบประสบศึกเกนดเทนดินเมื่อลืมตัลี่ยวก็เคยประสบพบมาเฉยเฉยก็เคยมีตัวเสียงไหลนี้ มันเอาจริงเอาจ้ิงให่ได้เพราเหตุใดเพราะมันเป็นอนิจังเป็นอนัตตามันจะเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไปมนไปอยู่อย่างนั้นสุตติเรติเห็นเวทนาเรายังไหนเห็นว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรทำไมจึงไปติดในทุกข์ทำไมจึงไปติดในสุขหรือเฉยเฉยเหตุใดจึงไปติดในทุกข์ทุกเกิดขึ้นในกองการจะยันไปติด คิดเปลียนอยากอย่างให้มันหายมันจะเบาอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งคือติดถ้าไม่ติดจะไปพิดไปปลีนทำไมร้องห้เสยใจขนาดไหนกยอยู่หัวมันเป็นทุกโดยังเต็มใจติดใจอยู่มันเป็นไปร้งห้ไปเสียใจเปลนไปเศร้าโกหนึ่คือมันยังติด ในเวทนาคือทุอทกข์สุขต่างๆพยายามที่จะมาแยกเวทนาออกจากจิตใส่เห้นจิตเป็นจิตเห็นเวทนาเป็นเวทนาเพราะจิตกรรับเวทนาไม่ใช อ, อันเดียวกันเราก็ได้ยินแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยแยกออกไม่แยกออกได้ ยาคาบายาอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งของกายของจิตในใจตัวของจิตของกายเป็นแต่สิ่งผูกแฝงหรือเป็นขําอันหนึ่งเข้าใจถนัดชัดเจนเหมือนเป็นอย่างไรก็้ายใจตามเป็นจริงของมันไม่มีอะไรที่จะไปโยวย้ายหรือยึดถือในเรื่องเหมนนั้น มันไปเลยตึกถ้าผูงสกไปใส่สึกถ้าเวทนาเป็นสึกที่เหนือเวทมาไปเป็นสันติสึกิสเด็ดขาดแข็งติดเกาะเขียวใ่ิดข้องเนแต่ จะอยู่ธรรมชาติในเวลาทุกหนักเข้าเตรียมจะตายอาการเมทนามันจะเป็นมาอีกแบบไหนเราเดพิเจนมาคือท่วงรับเจนเส็จใสจากแล้วเมทนาจะตัวขาดจะไปเีย่อรจะไม่มีสติจะไปหลงในเวลาตายจะไปหลงอะไรกันพพิเจนมามาร่อคุก สิ่นทุกอย่างแล้วมันเข้าใจมันจินต้าท่าพายพอตายแล้วจะไม่มีการเล่มเหลวไม่มีการติดข้องไม่มีการเกาะเกี่ยวพอความเห็นความเปลี่ยนในจิตถนัดชาติเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นท่านจึงเป็นมัทธิสันติตรังสุตของอยู่ผู้ตามทู้เวลา มีอานาจัสรการศึกษาอบรมการปฏิบัติใช่เหมแต่เราท่านในหมั่นที่เจมาในศึกษาในปฏิบัตินั่นก็ไม่เห็นไมเต็มเนวงนั้นไม่เห็นไม่เต็มดปแต่หนูตัวแต่เรานี่ยังปราศนาอ่อนต้องออกไปสร้างบามีเยอก่อน เรื่องของแมนจะดึงไปอย่างนั้นเรื่องของเสียดตันแห่เรื่องของแมนงานกั้นจิตใจไม่อยากจะให้ไปถึงความสงบสุขอันระเปรตทุกคนเคยเจอนเคยเห็นและเคยปฏิบัติเหมนจะจัน หาทางดักชวนไปในทางใหม่ในตั่งใจจะต่อสู้เอาใจใชนะไหมในตั้งใจจะละจะถอนมีไปจากอดติดหิ่งของโลกหยงของขันจิตใจในยต่อนใหญ่ มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นก่อพบก่อชาติเลื่อยมาเราจะไปหาเวลาใบตานใดชาตใบพบใดอีกบีดจะประพฤปฏิบัติเท่ารู้เห็นมันไม่พอเราจะทําให้มันพอมันไม่ดีเราจะทำให้มันดีมันไม่เป็นเราจะทำให้มันเป็นมันไม่เห็นเราจะพยายามทําให้มันเห็นเพราะสิ่ง เหล่านี้มันมีอยู่ในเรามันดลยมีอยู่ที่อื่นใครจิตีวิ่งหายหายที่เรามาคินจังทำคินจังกินที่เราเจอแสงสัยมันจะหายไปกินที่เราเจอตองตามันจะเกิดขึ้น กาปรปฏิบัติปฏิบัติให้ความเยียกเย็นเป็ น, เ น, นสึเกเตียเตียเองและคนอื่นเพราะราเองมีความสุขความสบายคนอื่นเขาก็มีความสุขความสบายไปด้วยเพราะมีอับมีทำม่เบียดเบียนมีเหลือตาตามี สารเล็กสับใหญ่ระเบียบเดียนไทออนน ย, ย ท, ทั้งียญเองจะในเดียดเดียนให้ใจหลับเอ่งอ่านธรรมถกต้องในตัวของเราเองนี่การปฏิบัติจะมีความสุขความเยียดเยินได้กว่าอาศัยตัวของเราเองและมีใครจะมาควน แล้วตัวของเราเนี่ยจตัวขอเราเองจะทำตัวของเราให้เหลวไหลหเสียหายด้วยอนาจเชื่อเรื่องของราคาตันหายอวิชาวาทานสังสรรค์ถาไรเชื่อการทำแสวงทองวุทเจ้าเะพฤติปฏิบัติในหลัก คงอัดคำจริงจังเราจะเห็นจะเป็นในตัวของเราเองคบค่าโดยการดับที่ไหนอะไรเป็นอุปตาที่แต่ อ, อย่างแพยอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปกปิดจิตใจสิ่ง้นจากโลกมันจึงจมีทางเพื่ใส่ พยายามจะทำบำเทิญอย่าไปเห็นแก่การหลับนน ก, การออนอนการกินการเดินการสื่การคุยการในการคิดเรื่องแหน่หน่อก่อนหะ่วงปเดือนปีผ่านไปผ่านไปผลที่สุดกาตายด้วยตางเป็นโมฆะตลอดเวลา เคยเป็นมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นตแต่นะตาาโมแตะปลายโยนูดมาแต่พบก่อนชาตก่อนเป็นอย่างไรในชาตินี้ก็มืดไปแบบพบก่อนชาติก่อนไม่ต้อเป็นแบบนั้นแต่โมโชตาาโิปลายโยนูดมาเกี่ยวขัอหาเคยทัดผมเต็มปีจิตใจมา พอมาขยักพยายามมาจำสีนภาวนามาติกษาอัดธรรมเรื่องมือประบัศปฏิบัติความมืดจีเพยยึดเคยถือเพยติดเพยแขางท้างใจแจ้คไข่ตกไปเกิดความสว่างสวัยวิเห็นกระจากแคบเกีนในตัวนี่คือตรวโม่ เคลติศาลายโมมดนะรว่างไปทุกคนที่ไปชทพปฏิบัตใิใจอาจทำเป็นอย่างนั้นต่อเป็นตโมเคติศลายะโมในเจตตโมตมะศาลายโมเฮีย ที่เจมาพยายามรักษาพระพุทธเจ้าเด็กคืออาการย์ในสียพิะว่าจะไปตามรักษาจิตใจให้เราจะบังคับกันอย่างไรนั้นมันบังคับไม่ได้นอกจากจะไล่จะบังคับตัวพวกเราเองเราบังคับได้ มันเคยเฉียวเคยเสียเคยคิดเคยฟืนเรื่องอะไรจะปูกจิตปลูกใจเมื่คิดเหตุฟืนสงเห่านั้นนันจะไม่มีโอกาสกลับผิดมันได้รื้อสายมานได้มีอย่างหรือถ่าหากมันเหลืยวิสัยที่อาจารย์เรือพระพุทธเจ้าจะเป็นปลูกดีวิเศษได้อย่างไรมันไม่เหลอยววิสัย แต่อะไรเอเถือวเหลียววิสัยสมหวับเราอะไรยังทำไม่ถึงที่อะไรถือว่าเหลียวิสัยการจริงที่จริงจังเนาตายของเงินตายไปมันเหลียววิสัยแต่ยังเง็นเงินเห็นตัวกายเงนแตกทางไปจริงแต่จิตใจ ได้อะไรจากการประพฤปฏิบัตินี่เป็น เ, นเรือ่องเหลือวิสัยจริงจังแห้มันเห็นแต่เชื่อมั่นแต่คนดีทำจริงจังให้ใจใส่จริงจังแล้วมันลองรักษาจิตใจนตกไปสู่ด่านเลวด่านชั่วคนนั้นใจเห็นจะเป็นเรื่องอับทา ไม่มีรายใดที่จะเหลือวิสัยทางมีเจ ต, ติมีปัญญาดูแลรักษาให้อยู่ในขอบพวงถามไม่เห็ปีนขอบปีนชาออกไปต้องรู้ดใด้วงเป็นรับรองเรืยนเจตีประถามทั้งสี่อยากจะต้อง เห็นต่อเป็นอย่างนั้นฮะตผู้แต่เช้าปฏิบัติตั้งใจจะไม่เลยเจปีอย่างเช้าหรือเจเดือนเจวันเจชั่วโมงจะต้องเห็นต่อเป็นนี่นั้นในดีในเรื่องของเจิดปีปฐานที่เจ้านาตายก็ได้เสียระยะ ในจีตม้ีือไปเรื่องใหม่หรืออะไรเอามาวิจิตวิธรรมก็ทํางหมดเดีเยวกันในเต่ลนอย่างนั้นไม่นตไม่ได้เรื่องจะไปใจตื่นของผู้ใต้เจ้าแต่ผิดเป็นโมฆะไม่ได้เพราะเปียนเพราเราเองในทำจริงแต่เปียเราเราทจริง แต่เห็ยนต่อเรียนอย่างพระพุทธเจ้าว่าเพราะเศติดปัญญานำติดต่อดีเรื่อยใจมีการที่เลียดเป็นหายหลักดึงออกไปท้งอื่นพิจารณาอะไรพเจาาอย่างนั้นตลอดระยะเวลาเตรียมใจในการละการถอน สิจิตคว่งต่างๆทำาิววุฒิจารศรีเสีมเตียของเราเราเป็นผู้จะพิปฏิบัติเราจะเป็นผู้สู่ข้ายใจในความห ม, ไมดไปโดยยังอยู่ยเราจะเ่นอื่นจะมาบอกให้ฉันอืนได้ยังไม่เอ้อถามทางอาหาร เวลาทางลงไปถ้าเรายังไม่อยู่ในโซฟาแล้วอินนอกของ้ามีการปฏิ บ, บัตปฏิบัติธรรมเอนเดียวกันเป็นเรื่องทุกคนจะเห็นใจจะเห็นจะเข้าใจในตัวทางในชื่อเรื่องของวิเลตกรหัจิตใจมันจะมีเลาปฏิบัปฏิป บ, บัติเต็นที่ ความรุนลรงของใจจะหมดไปความผงผยายอารมณ์เตลจะเกิดขึ้นพยายามปฏิบัติโอกาสเวลาผาดขันต์ตัวเราทำพอที่จะเต็มจะไปใครจะปฏิบัติได้ดในเสวไข่หนักแน่นอะไรเราทำไม่ได้ คนเทเรทำในบ้ไป้อว่าเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะอย่ไปซว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นพยายามสอนใจของตัวเรียนรู้ประพฤิปฏิบัติการทษาไปมีทุระหน้าที่อื่นระยะเวาอย่าง ในรได้ผิดชอบอะไรเราจังเป็นปิดยมีครยมีอาจารย์เป็นสื่เสตากรักษาอยู่มันนระเดวกสบาย